ผูบาอาจารย์ซาเอ็กกรรมฐานสายป่าเราเนี่ยท่านถือว่าพวกเราอยู่ในหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพระเจ้าปศุกเนี่ยพระพิสุทสมณเนีท่านถือว่าอยู่ในหน้าที่ทําห้เราจะได้อยู่ในงานในหน้าที่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เราฟังเทศล่งตาเราฟังเทศล่งตาแต่ละ ก, กันแต่ละ ก, กันเป็นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง หนึ่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครูบาอาจารย์ทุกทุกองท่านจะพาทำอยู่ <_ S 2> อย่เคยมีคนเขาลองไปฟังท่านอาจารย์จวบไหมท่านอาจารย์จวท่านจะพาอยู่ไปแล้วนะท่านจะพาอยู่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุม 3, ท่มห้าทุม 5, ท่มหกทุ่มท่านพาอยู่ท่านไม่ได้ถือว่าเป็นการทวงเวลาเหมือนกับเราเอาพวกเรามาขังไว้ท่านไม่ได้คิดอย่งนั้นท่านไม่ได้คิดว่าท่าน ท่นเทศยาวท่านเทศมากท่านพานั่งนานๆท่านมันคิดเหมือนกนท่านถือว่าทํายังไงพวกเราจะอยู่ในหน้าที่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้การที่เราอยู่ในหน้าที่แบบนี้นานเท่าไหร่นานเท่าไหร่นนหรก็เหมือนกับว่าเราได้ทําแบบฝึกหัดนานเท่านั้นเราได้ทําแบบทดสอบนานเท่านั้นเราได้สร้างผลงานมากเท่านั้นท่านถือว่าเป็นเรื่องได้ท่านไม่ได้ถือเป็นเรื่องเสีย แบบฉบับของครูบาอาจารย์กับเรามาเทียบกับพวกเราเป็นไง10นาที20นาทีกงนานแล้วไม่ไหวแล้วมาถึงชั่วโมงหนึ่งอุ้ยนานเกินไปชั่วโมงครึ่งอ้ยนานเกินไป2ชั่วโมงนานเกินไปเราไม่ได้รีบร้อนว่าเราจะต้องไปจัดไปทําอะไรเราอยู่เแบบนี้ถือว่าเราเท่ากับว่าเราอยู่ในภ า, บาคบังคับคือบังคับโดยอัตโนมัติ เป็นเหตุบังคับโดยอัตโนมัติครูบาอาจารย์สวนมากท่านเกี่ยวข้องกับเราเหมือนเว่าท่านเป็นพี่เลี้ยงเราทำยังไงเราจะเดินได้แข็งเร็วขึ้นทําไมเราจะยืนได้แข็งเร็วขึ้นทําไมเราจะเดินได้ง่ายขึ้นเพื่อ ว, ว่าเราเราเที่ยวกับพี่เลี้ยงเลี้ยงเด็กนับตั้งแต่ใบบอกหัดนั่งหัดลุกหัดยืนหัดเดินเนี่ย ท่านจะมีความลึกคิดอย่างนั้นทำในเราจะมีบทฝึกหัดที่นานที่สุดมากที่สุดเพราะท่านผ่านมาก่อนท่านมีประสบการณ์มาก่อนมสมมากจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าหากเราทํำตามลําพันเนี่ยเราทําตามลําพันเนี่ยบางทีความแข็งแกร่งในใจของเราเนี่ยมันจะแข็งเท่า ก, กิเลสข้างในไหนนะ่ะเดี๋ยวกิเลสมันกลองแล้วเดินานานแล้วนั่งนานแล้ว แล้วมันก็พาพาหลบนั่นเพื่อจะมาทํานี้หลบนี้เพื่อที่จะไปทํานั่นลบไปหลบมาหลบมาหลบไปอยู่อย่างนั้นทีนี้งานแบบนี้มันเป็นงานที่ต้องหลบแบบนั้นไม่ได้มันเป็นงานที่จะต้องจ่ออยู่กับที่เดียวอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับที่เดียวอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างอื่นเสริมเข้ามาหนุนเข้ามาสติเสริมเข้ามาสัมผชัญญาเสริมเข้ามา ขันติความอดความทนเสริมเข้ามาวิทยะความภากความเพียรเสริมเข้ามาเสริมเข้ามาเสริมเข้ามาเสริมเข้ามาดันท่านไม่ได้พูดเฉพาะที่นั่งเท่านั้นท่านพูดถึงการเดินเนี่ยเดินเดินอย่างลุงตาท่านสอนท่านบอกเดินให้เดินเดินจนเหนื่อยท่านว่าให้เดินจนเนื่อยเดินจนเหนื่อยไม่ต้องคำหนึงถึงเวลาเดินจนเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรง หมดกำลังขาก้าวไม่พอพอเวลาเราพอเวลาเรามานั่งเนี่ยเนื่องจากว่ามันฝึกมันฝึกมันหัดมันดัด ก, การเอาหนักเนี่ยจิตจิตนี่ยมันมันมันพยศมากๆเป็นเหตุว่าจะต้องฝึกให้หนักดัดให้หนักเองนั้นท่านเห็นประโยชน์เอง น, นับางทีพอเวลามานั่งนะบางทีนั่งไปย่อนย่อนก้นยังไม่ถึงพื้นเอี่หัวภาพสงบพวกภาพขึ้นทันทันที ไม่เป็นนั่นดิเนื่องจากว่ากายมันอยากพักจิตมันอยากพักเราไปเดินหมุนให้มันจนพอแรงแล้วถ้ตัว่ากายก็เอาจนกายเหนื่อยถ้ตัวจิตก็เอาจนจิตเหนื่อยพอเวลาเรามาเริ่มย่อนตัวลงนั่งเท่นั้นเองมันพร้อมที่สงบวั่ภายพลุกพับขึ้นมาทันทีแต่มันพร้อมที่จะปล่อยที่จะวางเราเราลองพิจารณาดูดิ กับอไรที่เราไปเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปจิตยังไม่ลงจ่ออยู่กับที่เลยเลิกแล้วหรือม่ก็ น, นั่งจิตยังไม่ได้ดิ่งอยู่กับที่ซ้ำไหวอยู่เรื่อยไหวซ้ายไหวขวาเหมือนกับเปลวเทียนถูกลมตีนั่นแหละเลิกแล้วลุกแล้วที่ไรก็ทีนั้นครั้งไหนก็ครั้งนั้นแล้วผลรายได้ที่จะเพิ่มพูนทวีคูณมันเพิ่มไม่ได้มันพูนไม่ได้ มีเรื่องเรื่องการศึกษาธารมกการปฏิบัติธรรมเรื่องการตอกอธิษกับกิเลสมันต้องมีทีเด็ดทีใครทีมันทีใครทีเราหลวงตาท่านพูดว่าเดินตายมาทางนั้นแหละครูคบาอาจายรย์แต่ละองค์หลวงตาเดนตายมาท้งนั้นฟังได้ว่าเดียรตายเป็นไงถึงว่าเดียนตายท่านสละตายมาด้วยการทางนั้ น, นสลุลามตายาด้วยการมาทางนั้ น, ร น, นเรียวจะขาดจะขาดไปขาดจะหลุดก็ุดไปอมมาพลด เอมาพลิกมาผัดกินกับทิ้งมันไปเลยเมื่อนอัน้นนั่นถึงว่าสลับตายเดนตายถึงขั้นนั้นโอกาสที่เราจะผ่านไปและเข้าถึงทำได้มันเป็นการที่เข้าไปถึงได้ยากมันเหมือนกับรูที่เราจะลอดไปเป็นรูเล็กๆทําไมเราจะพยายามทําตัวยังไงทําใจของเราละเอียดยังไงมันถึงจะเข้าไปถึงจุดนั้นได้ ใจของเรายังหยับอยากรูนโอกาสที่เราจะลอดรูเล็กๆตรงนั้นไปลอดไปได้ยากถ้ายัางไม่ละเอียดถึงขั้นที่ว่าเข้าไปตรงช่องนั้นได้ตรงรูนั้นได้เราจะลอดไปได้ยากแม้แต่ความสงบขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามตามที่ท่านพูดเอาไว้อันนี้ก็ยังก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับเรื่องของปัญญาที่เรามาพิจารณาทาให้เรา รสึกเนื้อรู้สึกตัวตื่นเนื้อตื่นตัวจากความลุ่มหลงของกิเลสมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเขา้าใจได้ยากมากอันนี้ยิ่งละเอียดเข้าไปละเอียดมือนก็ซึมซับเข้าไปเลยอ่ะมันไม่ใช่รูใช่แล้วถ้าลักษณะของความสงบถ้าเราจะเทียบกันมันก็ว่าเป็นช่องเล็กๆสำหรับที่เราจะลอดเข้าไปได้แต่เป็นเรื่องของปัญญาแล้วไม่ใช่ช่องใช่แล้วมันกลายเป็นสิ่งซึมมันกลายเป็นสิ่งซึมถ้าเป็นไม้กับเนื้อพุน น้ำซึมผ่านไปได้ถ้าเป็นผ้ากระดรูทุ่นน้ําซึมก็ไปได้ทีนี้ไอ้ปัญญาญาณเนี่ยปัญญาญาณภายในใจเนี่ยทีแรกเราก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องคลิกแปลงเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความรอบคอบเราทําได้ทำเท่าไหร่ก็ทําได้แต่ถ้าหากยาญความยางังซึมซึบซาบเข้าไปมันยังไม่ปรากฏโอกาสที่ตัาหาอุ ป, ปาทานี่ยมันจะฉลอ หรือมันจะลดตัวหรือมันจะงดตัวหรือมันจะหดตัวหายเงียบไปมันมีไม่ได้มันเป็นไม่ได้ความจริงยังเป็นปรากฏชัดเต็มที่ร้อยเปอร์เซนแล้วก็ทําไปเรากะไม่ได้เราเกณฑ์ไม่ได้แต่เราไม่หน้าที่ทาสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นเองคือผลรายได้จะพึ่งปรากฏขึ้นที่จิตเรามาเทียบดูการเวลาที่เราทํากับผลงานที่จะพึ่งปรากฏเราเทียบไม่ได้เราทําเป็นวัน บางคนก็เกิดเราทำเป็นคืนเราทำเป็นเดือนบางคนก็เกิดบางคนก็ยังไม่เกิดเราทำเป็นปีบางคนก็เกิดบางคนก็ยังไม่เกิดสิปี20บปี3าปีบางคนก็เกิดบางคนก็ยังไม่เกิดบางทีทั้งชาตินี้บางคนก็เกิดบางคนก็ยังไม่เกิดเนี่ยเราเทียบกันไม่ได้ใครทำยาวทำสั้นใครทำมากทำน้อยขนาดไหนเท่าไหร่เราเทียบกันไม่ได้อาศัยว่าใครหมั่นใครขยัน มันขนาดไหนขยันขนาดไหนพุทสาพยายามขนาดไหนขนาดเอาเป็นเอาตายแล้อันนี้คือท่านพูดถึงเพดานที่เราจะรู้จะเข้าใจทั่วถึงอัตธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปโทษนู่นโทษนี้่ทำยากทำลำบากทำผิดทำถูกทำอะไรเราเอาเรามาเทียบดูตรงนี้เรามาเทียบดูเหตุที่เราประกอบอยู่แค่นี้ขนาดนี้กับผลรายได้ที่เราจะพึงมีอย่างพึงพอใจเนี่ย ขนานี้ยังไม่สมใจยังไม่พอใจขณะนี้ยังไม่สมใจยังไม่พอใจเพรางทีเราก็หมายเอาแต่ผลความไม่ไม่มีมไม่ нет, มมมเกิดไมนเป็นแต่เราลืมมาพิจารณาใก้ควรถึงเหตุที่เราประกอบลงไปผลที่จะพึงเปิดเกิดขึ้นในทางธรรมนี่มันเป็นผลที่ปรากฏเองเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเพราะจากการเจตนาเกิดขึ้นเพราะจากความจงใจตราบได้ยังมีเจตนาอยู่จะเป็นสมาธิก็ตามจะเป็นขั้นปัญญาก็ตาม ตราบใดยังมีเกีตนาอยู่ตราบใดยังมีความจงใจอยู่ญาณทัศน์จะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้คือผลที่จะพึงปรากฏเนี่ยจะไม่ปรากฏตามความกัดเกณฑ์หัวใจของไข่ของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราทําเหตุให้เพียงพอผลจะปรากฏขึ้นเองผลจะปรากฏขึ้นเองมันเกิดขึ้นจนเป็นเหตนให้เราอัศจรรย์นในใจว่า ง, งั้นเป็นเหตุให้เราได้อุททานขึ้นมาโอ้พึงกับอ้ ถึงกับพอมันถึงกับขนาดนั้นขั้นนั้นคือจะต้องเกิดขึ้นประสิทธิภากความเจตนาประสิทธิภากความจงใจตราบใดที่ยังมีเจตนาอยู่เช่นอย่างเราพิจารณาเนี่ยพิจารณาอสุภะอสุพังอณิจังทุกขังอนาตตาเราพิจารณาไปความสงบเราก็ทําความสงบไปเราพิจารณาทางด้านปัญญาเเราก็พิจารณาไปพิจารณาไปตราบใดที่เรายังพิจารณาอยู่ยังใช้เจตนาจงใจพิจารณาอยู่ พิจารณาไปเท่าไหร่แไปเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในขั้นที่ว่าคนคิดพิจรารณาหรือเราพูดง่ายๆว่าเราใช้ปัญญามันยังเป็นขั้นปัญญาอยู่ต่อว่าทําไปทําไปทําไปทําไปจนมันเกิดขึ้นเองผลลายได้จากการที่เราทําเกิดขึ้นเองเป็นปัญญายานั่นแหละคือผลที่ปรากฏขึ้นมาแล้ว มันเป็นเรื่องที่จะมาปรับจิดปรับใจของเราเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซนโอ้อั น, นิจจีจริงจริงๆโอ้ทุกครั้งจริงๆโอ้อนัตตาจริงๆถึงกับอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นเหตุให้เราทดสอบได้ในตัวของตัวเราเยเอะเพราะงานที่เราทํามันเป็นงานที่เราหมุนที่ใจของเรา เจตนาจงใจยาละเอียดขนาดไหนก็ตามเราก็เจตนาตั้งความเจตนาตั้งความจงใจแล้วก็ตั้งความอุตสาห์พยายามทําเราเป็นคนรู้เราเป็นคนอุตสาห์เราเป็นคนบากบันเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรเราเป็นคนกําหนดจดจ่อความรู้ขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เราได้ผลได้ผลเร็วได้ผลเร็วขึ้น นี่โอกาสที่เราจะอยู่ในปัจจุบันได้เนี่ยเราไปอาศัยแต่ความนึกคิดธรรมดาโดยที่เราไม่อาศัยสมาธิมันเป็นไปได้ยากมันไม่ต่างอะไรกับเราจับเสือมือเปล่าโอกาสที่เราจะแพ้มันเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามี ลอ่อเลยเรามีอาวุธเลยมีสิ่งป้องกันเลยอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสพอที่จะสู้มันได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ทําจิตให้ได้รับความสงบส ม, มีสมาธิภายในมีสมาธิเป็นวิหารธรรมเอาสมาธเนี่ยเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานเหมือนกับว่าเรายืนอยู่กับที่ถ้าเราจะเทียบกับเรื่องปัญญาเนี่ยมือนกับเก้าวไปก้าวซ้ายหรือหรือก้าวขวาก้าวไปเล้วก็ก้าวไปก้าวไ ป, ไปการที่เราก้าวไปเนี่ยเราจะต้องใคร้ครัวให้ถี่ทุวน ก้าวถูกหรือก้าวผิดก้าวไปยังไงก้าวถูกหรือก้าวผิดการพิจารณาไครควรวนเพื่อที่จะให้เห็นอนิจจังทุกขังนัตตาก็เียนเดียวกันเลตราบใดที่เรายังไม่ก้าวไปเราก็ท้องควรที่จะยืนอยู่กับที่ไครควรวนอยู่กับที่มี่หมายความว่าเราถอยมาแล้วถอยมาแล้วก็มาอยู่กับความสงบของจิตมีจิตเป็นพื้นมีจิตเป็นบาตรมีจิตเป็นฐานเพราะฉะนั้นท่านคิดว่าสมาธิหมุนปัญญามุนปัญญามุนอย่างนี้ มาที่ความแนบแน่นของจิตเีเราทําไงเราถึงจะได้รับความแนบแน่นได้โดยเดีวถ้าเราทิ้งความปรึกษาพยายามทิ้งความขยายามมันเขียนทิ้งความปวดทิ้งความทนทิ้งความกําหนดจดจอ่อทิ้งความเอาเป็นเอาตายแรกแล้วมีโอกาสไปถยากไปถึงอยู่จะนานมากไปถึงยากอันนี้เป็นข้อไปพนขเปรียบเทียบถ้าเรามองไม่เห็นความสําคัญของสมาธิแต่เราพยายามจะปลุกปล้ำกับกิเลสเนี่ย ยกเว้นประเภทพวกขี ป, ปาวิญญาโลตาท่านว่าพวกมนุษย์ได้เร็วเป็นพวกที่ประเภทสร้างเสริมบารมีมาม า, มากแล้วเป็นผู้ที่มีความสงบแน่นหนามั่นคงภายในจิตมามากต่อมากแล้วเช่นอย่างพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลท่ า, ามนมรุกเป็นพาาระอรหันต์ตั้งแต่อายุเ็ดขวบนี่ท่านสร้างเสริมท่านสร้างสองอบรมภายในหัวใจของท่านมามากต่อมากแล้ว ถ้าเป็นผลไม้ก็เริ่มสุกงอมมาเรื่อยสุกมาเรื่อยสุกมาเรื่อยสุกมาเรื่อยก็จะหลุดจากขั้วเพางั้นพอมีคนมากระตุกซะหน่อยหนึ่งเหมือนกับว่ามีผู้ดีเจ้ามาเทศเทียให้ซะนิดหนึ่งตาที่เคยมืดบอดมาน่ยเหมือนมีมีที่ฝุ่นก้อนเดียวค้างอยู่ที่ตาถ้านมาเคี่ยที่ฝุ่นก้อนเดียวให้เโร่ถ้าเราจะเที่ยงเหมือนกับมะม่วงสุกงอมจะหลุดจะหลุดเลไม่หลุดเลยจากขั้วบางทีมีลมไหวมาเฉยๆนิดหน่อยก็ร่วง มีอะไรมาถูกขย่ า, ยานิดหน่อยก็ร่วงแนละ้วมีเหตุมากระทบนิดหน่อยก็ร่วงนะมีผู้ที่มีบารมีมากเพราะฉะนั้นพระอรหันต์สมัยนั้นจึงมีผู้ที่ฟังปุ๊บบรรลุ ป, ปั๊บมีเช่นอย่างพระพาหิยะนี่ประเภทขีปนาวี ญ, ญาท่านฟังปุ๊บท่านบรรลุ ป, ปั๊บเนื่องจากว่าอะลรเรื่องว่าชาติก่อนนั้นน่ยท่านบำเพ็ญเอาเป็นเอาตายบำเพ็ญเอาเป็นเอาตายมูเพื่อนของท่านน่ยไปเกิดบนสวนชั้นสุทาวาส น, น่นะได้เป็นพระอนาคามีแต่ท่านยังไม่ได้อะไร ไปทำความเพียรด้วยกันที่ว่าไปทําความเพียรที่ภูเขาเอาไม้ไปพาดขึ้นขึ้นไปแล้วก็ไปตั้งใจอธิษฐานเอาทำ ไ, ไ, ไม่ได้ท า, าไม่ได้ธรรมะทำไม่ได้การได้ทำท่านไม่เป็นพระอาหารหันต์เพราะนั้นถ้าย่อปวดยอมตายตั้งใจบําเพ็ญเอาตายเข้าแรกเลยเพราะว่ามันไม่มีที่ลงมันน่าจะเป็นหินก้อนหินขึ้นใส่ไม้พาดไม้พาดขึ้น พาขึ้นแล้วก็ลงไม่ได้นอกจากกระโดดลงกระโดดรองก็ตายอย่ไม่ลงบางองค์ตั้งใจภาวนายังไม่ถึงตายก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็เหาะไปบินทะบาทบางฉันได้บางองค์ก็ได้เป็นพระอรหรันต์มีฤิ์มีเดชเหาะไปบิจทบาทบางฉัได้บางองค์ก็ได้เป็นพระ น, า, า, น, า, น, า, นาคามีแต่พระภายยาัยญาไม่ได้อะไรยังไม่ได้อะไรพอมาชาสุดท้ายเนี่ยท่านมันเกิดในตระกูลแพทย์แพทย์หมายความว่าพานิชย์ทำการค้า ไปทางเรือเรือแตกเรือแตกทําการค้าค้าขายไปมาระบงท่าเรือท่าสุปารกษ์เขเรียกว่าสุปารกษ์เมืองสาวธีนี่แหละท่าสุปร า, กา ร, รากษ์ไปทางเรือน่ะไปคราวนั้นเรือแตกเรือแตกห่างจากท่าสุปรารกษ์ผลิตได้ไม้กระดานกั่หนึ่งก็เกาะลอยมามูเพื่อน่จมลงไปหมดตายเป็นอาหารปลาหมด แต่ท่านสามารถมีชีวิตได้เกาะกระดานแผ่นเดียวมาผ้พาพอนรุดด้วยหมดโดยแตตัวลอยมาลอยมามาถึงพอมาถึงท่าสุบรักกาก็เนื้เหนื่อยเมื่อยล้าหอยหิ้วหว้อยเต็มทีเต็มทนขึ้นไปนอนแผลอยู่ที่ทหาดทรายอยู่ข้างข้านั้นก็ไปเห็นมีสลารเล็กๆ ก, ก็ไปอาศัยอยู่ที่สลาแล้วก็ร่างกายไม่มีอะไรมาปกมาปกิดเกิดความละอายบ้างก็เลยไปหาใบ ไ, ม, ไม้มาปกมา ป, กปกิดไปเอาเปลือกไม้มาปกมา ป, กปกิดคนก็เอาอาหารไปให้ เอาอาหารไปให้พราะคนทั้งหลายนี่คิดว่าโอ้คนลักษณะนี้แบบนี้นี่แหละพระอาหารหันนี่แหละพระอาหารหันเขาก็เอาอาหารไปเอาเสื้อผ้าไปให้พอหนักหนักเข้าเห็นประโยชน์ในการนุ่งเปลือกไม้เห็นประโยชน์ในการนุ่งใบไม้ก็ เ, เอาผ้าไปไปให้ไม่รับกลัวเขาจะว่าไม่ใช่พระอรหันเขาจะไม่เอาอาหารให้ไม่ให้บริพุทธเจ้าพอหนักหนักเข้าเลยสําคัญตนว่าเป็นพระอราหารันได้เลยเนี่ยพระพายะเนี่ยไปดูประวัติประภายะทีนี้ก็หมู่เพื่อนที่เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันน่ย ที่ไปอยู่สวรรค์ชาติสุทาวาสท่านก็เห็นโอ้ภายายาัยย่าจะไปกันใหญ่แล้วจะหลงตัวเองหลงตัวเองไปกันใหญ่แล้วหลอกโลกเลี้ยงชีพไปกันใหญ่แล้วเลยลงมาลงมาเทศลงมาบอกโอ้ยนี่ไม่ใช่ทางความเป็นพระอรหันต์ดอกท่านยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ใช่ทําตัวแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้พระอรหันต์มีเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วท่านอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่น บอกาาพายะพอพระภายะก็เลยระลึกได้โอ้ใช่เราเนี่ยทาอย่างนี้มันเป็นการหลอกลวงโลกเย่ยงจีพเลยลิ้วไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าน่าจะพักึที่เชียทวันนี้พอไปก็เป็นระหว่างที่พระองค์บิทบาทก็เข้าไปหาพระองค์อยาฟังธรรมะกระหายฟังธรรมะเต็มทีว่างั้นเถิดขอโอกาสครั้งหนึ่งท่านก็ไม่ให้เรากําลังทํากิจอยู่ครั้งที่สองท่าก็ไม่ให้ พอครั้งที่สองท่านขอแม่นุญาตคือไม่อนุญาตคือขอให้ท่านแสดงทําให้ฟังเรากำลังทำธุระอยู่เรากําลังบินทบาทอยู่พระองค์กําลังบินทบาทอยู่ก็ก็จริงแต่ว่าข้าพระองค์เนี่ยไม่รู้ว่าการเวลาไหนที่ข่าพระองค์จะตายอย่างนั้นจะนหมดลมหายใจเข้าออกจะตายจะพลาดจากโอกาสจะพลาดจากประโยชน์อันยิ่งใหญ่เนี่ยไปฟังดูในประวัติบางเห็นมีการโต้มีการโต้กับผู้ที่ใจอย่างนี้นะตัวว่าไม่แน่ใจในชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตีจะตายวันตายคลุ่งตายอะไรเมื่อไหร่ อยาฟังธรรมะเร็วๆหรือขอโากาสเป็นครั้งที่สามที่เจะากุลแสดงธรรมให้ฟังที่จะาแสดงธรรมให้ฟังพายะเธอจงเห็นสัพเทว่าเห็นได้ยินสัพเทว่าได้ยินได้กลิ่นสัพเทว่าได้กลิ่นได้รสสัพเทวะได้รสได้สัมผัสสัพเทวาได้สัมผัสสัพเทวาสัพเทวะพวกเราฟังเข้าใจไหมคำว่าสัพเทว่าสัพเทวะคําว่าสัพเทวะหมายความว่าจิตใจมันซึมซื้อมันซับ กับหลักธรรมชาติถ้าเราจะเที่ยวเหมือนกับที่ลุงตาท่านเทศตั้งแต่ตน้ตนๆท่านพูดถึงหลักของธรรมชาติหลักธรรมชาติของกายหลักธรรมชาติของจิตหลักธรรมชาติของวัตถุที่มียอดอยู่ออรอบตัวเราหลักธรรมชาติมันก็คือหลักธรรมชาติจิตผู้รู้มันก็มีหลักธรรมชาติอันหนึง่งมันก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งแต่มันไม่ได้รู้ด้วยความบริสุทธิ์มันรู้แปดเปื้อนทุกเคล้าไปด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาอาสวะคือยังมีสิ่งเคลือบสิ่งแฝงอยู่ภายในจิต เลยมันเลยทําให้เรามองไม่เห็นหลักของธรรมชาตินั้นผู้ที่ท่านมองแล้วเข้าใจซึ้งถึงหลักธรรมชาติจริงๆมองด้วยสติมองด้วยปัญญามองด้วยสัมปชัญญะมองด้วยสติมองด้วยสัมปชัญญะสติเป็นคุณสมบัติของจิตสัมปชัญญะนี่เป็นคุณสมบัติของจิตเป็นคุณธรรมของจิตถ้าหากจิตสัมผัสัมพันธ์ตื่นตัวอยู่กับสติกับสัมปชัญญะจนเป็นอันเดียวกันกลายเป็นตัวปัญญาขึ้นมาแล้วสติกับสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวของเรา ในจิตของเราเนี่ยสติกำจัดธรรมัญญาเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีบุญบารมีมาแล้วเนี่ยสติธรรมัญญาของท่านมีพร้อมปัญญาของท่านมีพร้อมในระหว่างให้ฟังเพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศจบหึ่งคาถาเท่า น, นั้นเองได้บรรลุปัป๊บทันทีเป็นพระอรหันต์ในพระภายญยานะพุทธเจ้าเลยให้ชื่อว่าเลิศกว่าที่สุทั้งหลายเป็นประเภทบรรลุธรรมเร็วคิด ป, ปา่าพิญญาเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านก็คงจะ กำหนดกิตตามไปตามการกําหนดจิตของท่านเนี่ยมั น, ม, นมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นอาวุธที่คมมากเหมือนนั้นถ้าเป็นมีดก็มีดที่คมมากยังไม่เคยถูกฟันเคยถูกอะไรอะไรในเมื่อมีมีคนมาบอกว่านี่อันนี้เป็นนี่อันนี้เป็นนี่อันนี้คนตัดตก็พร้อมที่จะตัดปุ๊บทันทีขาดปับ๊บทันทีเป็นมีดที่คมมากเมื่อกว่าฝน คืรับไหวบรรลุั้งกี่กับกี่กันมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านชี้อย่างนั้นชี้ยังไงไปเห็นอย่างนั้นเลยกลายเป็นเห็นจัตเท่าเห็นได้ยินสัตว์เท่าได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสัตวเท่าได้รสได้สัมผัสเท่านั้นเองนี่จิตใจเข้าถึงระดับธรรมาชาติเป็นภาริยาบุคคลหมดพวกมชาติระดับเป็นพระอรหันต์นะครับปรับบรรลุทันทีนี่คือระดับของจิตใจปิจารที่เกี่ยวข้องคือปัญญาแหลมคมขอ ง, ของท่านฝึกฝนอบรมมาแล้ว อันนี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ประเภทว่าเจ็ดขวบเนี้ยเป็นพระราหันเช่นอย่างบัณฑิตสมณเณรเนี้ยอายุเจปีเป็นพระรหันก็ท่านฝึกมาแล้วสังกิจจาสมณเณเนี่ยสังกิจจาสมณเณเนี่ยแม่ตายท้องกลมสังกิจจาเนี่ยเป็นทารกอยู่ในท้องแต่ว่าใกล้จะครบใกล้จะคลอดแล้วแหละแต่แม่ตายแม่ตายเขาเอาไปเผาทั้งหมดอ่ะทั้งแม่ทั้งลูกเผาอยู่ในกองฟอนเนี่ยอยู่ในกองไฟเนี่ยด้วยบุญบา ร, รมีที่เรียกว่า บารมีความจะได้เป็นพระอรหรันต์เนี่ยไฟไม่สามารถจะไหม้ท่านสังกิจจาเนี่ยนะสัพเพอร์เอาไม้ไปขียดขียดขียไปถูกหางตาท่านทําให้หางตาท่านเนี่ยเป็นบาดเป็นแผลหน่อยหนึ่งเป็นตําหนิว่างั้นเถอะเลยได้ได้ชื่อว่าสังกิจจาสังกิจจาผู้ที่มีบุญมีบารมีมาแล้วนั่อยู่ท่ามกลางกองไฟไฟยังไม่ครอบตายแม่ก็ถูกไฟไหม้ไปท่านสัพปปเพอร์ไ้าออกมาไปเลี้ยงเลี้ยงโตขึ้นมาสม็นบุเป็นสมณ์ บวกเป็นบวชเป็นณีอายุเจ็ดขวบเป็นพระอาหันพวกนี้พวกบุญบารมีเต็มเปี่ยมนะฮะมันดิษฐ์สมณีนสังกิตจัตสมณีนโสปาตสมณีนราหุนสมณีนอย่างเงี้ยบังทีราหุนสามณีนพระราชวรรณของทระเจ้ย า, ยาอายุเจ็ดขวบได้เป็นพระรหคือบุญบารมีท่านเต็มเปี่ยมแล้วพวกเรารู้เลยว่าพวกเรามีบุญบารมีนั่นแหละ อยู่ท้ำกลาง้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้บอกวิธีทางที่ดีวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่รักวิธีที่ตรงวิธีที่เน่าไปสู่เป้าที่เราต้องการไม่ได้บอกมัชฌิมาปฏิปทามักมีองแปรประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญามักมีองแปรทรงตรัสไว้ในธรรมจักรกับตัวตนสุขท่านทำนกิการสุขาลิการโยท่านทำนีอัตตกิลมทานโย การมสุขาริการนโยคประกอบตนเกี่ยวข้องกับกามเรายิ่งเกี่ยวข้องเท่าไรเหมือนกับเรายิ่งเอาปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ต้นไม้ก็ยิ่งเจริญงอกเลยเหมือนเราต้องการให้หญ้าตายเอาปุ๋ยไปใส่มันมันก็ยิ่งเจริญงอกเลยเจริญงอกงาการปวพันในกามกรรมเป็นอาหารเป็นเหยื่อของกิเลสเรายิ่งพาะพูนปวพันไปเท่าไหร่กิเลสก็ยิ่งเจริญเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติทุกอย่างที่เราปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลมันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดัดแปลหรือขัดเกลา หรือแบบหรือมายถนำออกนำกิเลสออกให้มันหมดไปให้มันหมดไปมันหายไปมันเหือดไปมันแห้งไปให้มันหายไปในที่สุดยิ่งเราพัวพันเท่าไหร่สมมติว่ากิเลสก็ยิ่งเจริญเอาไม่เชื่อเราลองย่อนจิตเท่เราให้นึกถึงเรื่องราคาผมก็ยิ่งเจริญนึกถึงเทาไหรก็ยิ่งเจริญนึกถึงเทาไหร่ก็ยิ่งเจริญที่แรกนึกเฉพาะจิตนึกเฉพาะใจนึกไปนึกมาอ้าวมันไปทั้งกาย นึกไปนึก่าอ้าวมันไปทั้งวาจามันไม่ใช่นึกเฉยๆเลมันประกอบไปพร้อมกันหมดนับเห็นไหมลองนึกบ่อยๆครับลองนึกแย่เดียวแล้วดับไปมันก็จะเป็นไปไม่ได้คือนึกบ่อยๆนึกบ่อยครั้งเข้าเนี่นึกถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปทําเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องพยาบาทอาฆาตเคียดแทนคนที่จะไปแก้แค้นไปฆ่าคนนึกไปนึกไปนึกไปนึกไปแค้นเข้าแค้นเข้าเคียดเข้าเคียดเข้าเครียดเข้ลุกขึ้นหาอาวุธหาหมูหาพวกอืหาอะไรเอาไตดิตดีหรือห่อนั่นเอ มัเป็นง น, น, นี่คือกิเลสราคะก็เป็นเรื่องของกิเลสโทสะก็เป็นเรื่องของกิเลสโลภะก็เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตเราดูออกไหมเราดูออกเราดูความอยากพลิกใจของเรามันแหะมันอยากเกี่ยวกับเรื่องการนั่นแสดงว่ามันพลิกกิตของเราให้ไปเป็นลูกสมุอนมันละบางทีมีใครมาขัดมาขัดคอมากรีดมาคว้าเนี่ยเกิดเครียดขึ้นมาละนั่นไปทางของมันเข้าทางของมันละราคะโทสะ เรายิ่งบำรุงบำเรอไปเท่าไหร่ครับราคาก็ยิ่งเจริญโทรศัพท์เขายิ่งเจริญโมหะก็ยิ่งเจริ ญ, าารญการประกอบตนโพภาในกาบรู้ที่เจ้าท่านบอกว่ามันใหญ่ทางเป็นทางที่เลวท่านบอกเป็นทางที่เลวนิโนคโมเป็นทางของผู้ครองเรือนทางนี้เป็นทางของผู้ครองเรือ น, น, นอภตกิรมธารมโยกก็คือทรมานกายโดยที่แท้จริงกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ตายมันอยู่ที่ใจกายเป็นผลผลของกิเลสตั้งหา เนื่องจากว่ากิเลสมีอยู่ภายในจิตนั่นแหลมันต้องไปหารูปหานามไปเกิดที่ไหนมันก็ต้องไปเกิดที่มีรูปที่มีนามจิตคืนนามนามธาตุเป็นาธาตรู้มันจะต้องไปอาศัยรูปประธาตุเพื่อที่จะออกไปทําอะไรได้ตามใจชอบเพื่อหาผลรายได้ให้กับมันหาผลรายได้ให้กับมันแท้ที่จริงก็เราพิจรารณาดูให้ชัดเยน ล, ลงไปแล้วจิตนีหลงหลงมากห ล, ลงงมงายหลงตัวเองมากมายทีเดียวทั้งๆที่ตัวเอง ไม่ได้อะไรแล้วกริงอย่างเกี่ยวกับราคะเกี่ยวกับโทสะเนี้ยไม่ได้อะไรเล ย, เ ย, เยอเช่นอย่างเราบริโภคเนี่ยบริโภคอาหารอาหารมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องกายเหตุผลของกายแต่พอเราบริโภคไปแล้วอันนั้นเดียนี่เดียร์นั้นแทบอันนี้อร่อยเราก็ใส่ลงไปจิตก็มีความยินดีรู้ว่ารสชาติดีรู้ว่าอิ่มรู้ว่าอะไรทะนั้นเงีงเพียงแต่รับรู้รับทราบท่านั่นเองแต่ผูกอิอ่มแท้แท้คือร่างกายเป็นผู้อิ่ ร่างกายเป็นผู้อิ่มกินข้าวกินน้ำกินของดิบของดีของวิเศษวิโสขนาดไหนก็ตามมันเป็นเรื่องของกายกายทินไปเพราะสิ่งเหล่านะั้นเป็นสิ่งของำรุงร่างกายเป็นธาตุขันเป็นรูปธรรมไปบำรุงรูปธรรมด้วยกันจิตใจหลงยึดว่าแซ่บ ว, ว่าอร่อยหลงตนลืมตัวบริโภคของดิบของดีบริโภคโออาบริโภคห ร, ระอะไรอะไรดูมันชวนหลงไปมากมายเลยนี่คือคือเรื่อง กีย่ยวกับการบริโภการนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารสิ่งเหลนี้เกี่ยวข้องกันหมดและเกี่ยวกับเรื่องราคาสิ่งเหลานี้ก็ถือว่าเป็นการพื้นพื้นธรรมดาอาหารยาเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นเครื่องอาศัยเฉยเป็นเครื่องอาศัยของกายจิตก็ได้รับความสุขความอิ่มเอิบได้รับความปอบใจเป็นการเรียนรู้ แต่ว่าผลได้ได้เป็นเรื่องของกายทั้งหมดจิตก็ไม่ได้อะไรที้งแต่นับรู้ทราบรับทราบแล้วนนีแม้จะเกี่ยวกับเรื่องกับราคะจิตก็ไม่ได้อะไรอีกเท่าเดิมเหมือนเดิมอะไรเกี่ยวข้องกันไปสัมผัสสัมผัสกันไปถ้าไหลก็นตางจิตก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเที่ยวว่าเหมือนกับหมาแทะกระดูกหมาแทะกระดูก ดูมันไม่มีอะไรเนื้อหนังอะไรมันก็ไม่มีไกนกระดูแแทะไปแทะไปแทะไปแทะไปแทะไปแทะไปแทะไปไ้ อ, องไัว ข, อขอเองอไม่มีอะไรแทะไปแทะไปแทะไปไม่ได้อะไรไม่มีเมมนื้อไม่มีอะไรแทะไ้อะรีเอง่ ok มอแทะไะดูกกิเลด่มันล้อไจ่องเราทะไปแทะไปแทะม่ไลอนนมันือไมอ่ีนี้วิทีแก้แก้ที่สิ่งอาศัยมาแก้ที่กระดูแทะไป้ว่าเป็นกระดูก ไม่ต้องไปแทะไม่ต้องไปอะไรให้รู้ว่ากระดูกเป็นกระดูกให้รู้ว่าน้ำลายเป็นน้ำลายให้รู้ว่าธาตุของอาหารที่มาบำรุงร่างกายจะรู้ว่าเป็นธาตุร่างกายเขาเป็นจากสวาวเป็นธรรมชาติธาตต่างๆที่เอามาบำรุงร่างกายเขาเป็นธรรมชาติให้รู้ว่ากายเป็นกายให้รู้ว่าธาตุภายในแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยเป็นธาตุภายนอกแล้วก็เอามาบำรุงธาตุภายในให้รู้ว่าภายนอกให้รู้ว่าภายในพอรู้พอรู้ตามหลักความเป็นจริงเข้ามันแล้วก็ปล่อยเรื่องรูปก็ตามมันไปอีก ตามมันไปมกหลงลึกเข้าไปอีกหลงลึกเข้าไปตามเข้าไปจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปอาศัยว่าสิ่งที่เป็นอุปการะคุณกับจิตสิ่งที่เป็นอุปการะคุณกับผู้รู้กับธาตุู้คือตัวสติคือตัวสัมปชัญญะคือตัวปัญญาหมุนจ่อเข้ามาจ่อเข้ามาที่จิตจ่อเข้ามาที่จิตการที่จ่อเข้ามาน่ะมันเหมือนกับว่าเป็นกระปธรรมเป็นกระปธรรมแผดเผ า, าจิตตรงนั้นแผดเผาราคาที่เกิดขึ้นในจิตน่ แผลเผาโทสะที่เกิดขึ้นในจิตอย่าลืมว่าราคะต้นเหตุของราคะโทสะโมหันมาจากกิเลสที่กิเลสมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่จิตมันเกิดขึ้นที่จิตมันเจริญที่จิตมันอาศัยร่างกายเป็นเป็นเครื่องประกอบท่านนั้นเองเป็นเหตุให้เกิดเป็นปัจจัยให้เกิดราคะโทสะโมหันเกิดขึ้นที่จิตทั้งกระตามไปที่จิตทีนไม่ให้สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาจะพยายามทําแต่คุณธรรมคุณสมบัติของจิตที่ดีงามให้เกิดขึ้น ใช้ปิเปดเข้ามาใช้สัมผัฉันยะเข้ามากำหนดจบจบเข้ามาให้เห็นเป็นสัจธรรมมันเป็นการไปแผดเผากิเลสเหมือนกับว่าเป็นการไปชัะไปล้างกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตะสะภาพของจิตที่เคยสศร้าหมองเกลีสิ่งตางๆเหล่านั้นในเมื่อมันถูกตกระทำแผดเผากาไปมันก็เริ่มปวดก็ไปหายก็ไปเหมือนกับว่ามันถูกขับถูกต้อนถูกขับถูกต้อนเพลีอยต้อนเพลี่ ย, ย, ยในที่สุเราเหือดแห้งหายไปจางหายไป สิ่งล่านั้นเป็นคนเป็นอุบายเป็นมายาที่เกิดขึ้นไปในกิจเป็นมายาของกิจคือจิตคือผู้รู้ผู้ธาตุรู้ที่ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เกา่าที่เราเราพูดถึงเนื้อหาของตัว ป, ประธรรมเราพูดถึงเนื้อหาของนมามธรรมความเกี่ยวข้องความลุ่มหลงระหว่างรูปตุทธรรมกับนมามธรรมที่เรามาเกี่ยวข้องที่เรามาลุ่มหลงด้วยอำนาจของกิเลสที่การทาํางานยังไงที่จะทําให้เกิดผลทําให้ได้ผล เราก็เอาหลักสามหลักมาเทียบเราก็จะได้ข้อคิดที่ดีที่ดีเหมือนกันการทําร่างกายให้เนื่อยหน่อยเปล่าพักเกล้าไม่ถานโยนอันนี้คือทรมานกายให้เราทราบว่าทรมานกายเพื่อที่จะให้เปลญ่อมันแห้งไปมันเป็นการมันเป็นการแก้ผิดมันเป็นการชัดผิดมันเป็นการล้างผิดชำระผิดถ้าพูดถึงว่าเรา ค่าสรพิษเองหมายว่าเราตีผิดเรสต้องกาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสารพิษที่แท้ไม่ใช่ตัวสารพิษแท้เนีมันอยู่ภายในใจกิเลสตัวแท้จริงของมันอ่ะมันอยู่ที่ใจร่างกายเราร่างกายท่านเป็นผลผลของมันมต่งางหากเป็นเกิดที่นูนน่นเกิดที่นี่เกิดเพราะคุณเกิดเพราะนี่ต้องมีรูปธรรมต้องมีนมามธรรมไปเกิดรูปธรรมของเราเป็นวิบากกรรมเป็วิบากเป็นกรรมวิบาก ธรรมกามะวิบัติคือผลเกิดขึ้นจากกรรมที่เราเองเระทำมาให้เป็นเหตุให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์เป็นหมูเป็นมา้าเป็ดไก่ช้างมาาวัวควายแต่วัดจิตผู้รู้หรือธาตรู้ก็เหมือนกันเหมือ น, นกันกับเราเลยแต่เขาได้คุณสมบัติขาดความรู้ขาดความเขาาม้าใจขาดสติขาดปัญญาก็เป็นเหตุที่ว่ากรรมของเขามันทับถมเขาเองมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละ เร็แล้วก็ไปได้ตามอำนาจของกรรมของไขรของเราไปถ้าเราละเอียดขว่นี้เราก็เป็นคนเแปลพาด้วยสติด้วยปัญญาได้ยินใน้ฟังอัดธรรมอะไรก็เข้าใจรู้ทั่วถึงอัดธรรมได้อย่างรวดเร็วหรือไม่เราได้อาดกระพาเพื่อละเอียดปรนณี้ขึ้นไปก็ไปเป็นเพียวดายชั้นนุ่นชั้นนุนั้นนนชั้นนุ่นกายที่ละเอียดปรนณีตขึ้นโดยลำดับชั้นพรมชั้นกุปกอบรหมชั้นอรูปปกครหมหรือไม่นุ่นพรหมชั้นฉุดทาวาส มันก็ได้ละเอียดไปตามภูมิตามคุณสมบัติของจิตมันก็จะได้ไปอย่างนั้นนี่ร่างกายเป็นวิบากเป็นกรรมวิบากของใจเพราะใจมีกิเลสท่านพี่ไห้ตีติ้อนขับไปที่จิตขับไปที่จิตเอาสติเอาปัญญามาพิจารณาขัดกลาด่ว า, าวไปเรืยกะปะทําเผาไปเรื่อยเผาไปไหนจยกอะไรไปแห้งไปหายไปแล้วก็จบแล้วก็หมดสิ้นไปได้ ด้วยเหตุที่กิเลมันอยู่ภายในกิตนละมันทําให้เกิอดอุปาทานคําว่าอุปาทานนี่มันจะส่งจิตไปเกาะไปเกี่ยวไปคล้องกับสิง่งนู้นกับสิ่งนี้ทีนี้ในเมื่อท่านหมดอุปาทานแล้วท่านจะไม่ไปเกาะกับอะไรเลยในเมื่อไม่ไปเกาะไม่ไปยึดไม่ไปถืออะไรเลยแล้วมันไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะไม่มีที่ไปกลายเป็นจิตบริสุทธิ์จิตหมดปัญหาหมดสิงผ้าดีบ้าอินหมดที่ยึดหมดที่เกาะ นี่ท่านถึงว่าหมดเพราหมดชาติเพราะมันไม่มีภพที่จะไปเกิดแล้วก็ผู้ที่จะไปเกิดก็มันก็ไม่มีเพราะไอ้ผู้ลุ่มหลงที่พาลุ่มหลงไปเกินมันถูกเผาด้วยตปัดทําให้เหือดแห้งหายไปหมดแล้วฉลาดแล้วผู้รู้บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์หมดจบจากสิ่งที่เครือบแฝงกิเลสเครือบแฝงเราพิจารณาย้อนหลังไปแล้วเราเห็นที่มันทุบตีบีธาเราเราต้องทุกข์ทรมานไปตามวันเราทุกข์ทรมานขนาดไหน เราดูมันยุให้เรากโกรธมันยุให้เราโล่มันยุให้เร า, เเรากโกรธมันยุให้เราหลงราคะตัณหาสารพันุ์ยุให้เราฆ่าให้เราตีกันเรามาดูพิษพิษสงที่มันยุให้เราทําเราดูที่แล้วเราต้องทุกขทรมานตามมันไปเท่าไหร่พวกเราได้ยินได้ฟังอัตธรรมเท่านั้นเรารู้ว่านี่คือพิษสงขงมันที่จะทําให้เราทุกขทรมานคนไม่ที่ไม่ได้ยินเรื่องอ่านเรื่องธรรมรู้ว่าสิ่งนี้เป็นพิษเป็นภัยกลับยิ่งเสริมความลุ่มหลง ถ้ายิง่งยิ่งเพล่ยยิ่งเพล่ย์ย่อะไรอะไรดิ้นแด่เดาตายเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่สาคัญเพราะฉะนั้นโอกาสจะเข้ามารู้เข้ามาเข้าใจตรงนี้โอกาสที่จะมารําระขัดกล่าวตรงนี้จึงเป็นไปได้ยากพวกเราจึงเป็นผู้ที่เกิดมาท่ามกลางปฏิรูปประเทศท่ามกลางสามมาทิทพติมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรม ม, มีพระสงฆ์มีคําบอกคําสอนมีพระไตรปิฎกเต็มไปหมดมีครูบาอาจารย์เต็มไปหมดม มีโอกาสมีเวลาเวลาเต็มไปหมดเราจะตั้งใจช่วยเหลือตัวเองมากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่เท่านั้นเองเราจะทําให้ไม่เป็นไม่เป็นที่ตํมิจติเตียนตัวเองก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเราทําให้ได้โอกาสทําให้ขาดโอกาสทําให้เป็นที่ติเตียนตัวเราเก็คือเราเองเท่า น, นั้นเองมีเล็ดอัตตาอัตโนธาโถเราอยู่อยู่ท่ามกลางมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัตเิเป็นทางสายกลางเป็นทางตรงแนวไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้แทจริงหลุดเลยจากไอ้นี้ไปกระนุนหมดพ้นทุกพ้นโทษพ้นเวรพ้นภัยพ้นวัฏจักรสงสารนี่ก็เป็นแนวคิดที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวคิดให้เราได้กําลังใจแล้วก็ให้เราได้ได้ข้อคิดแนวอื่ น, นยอย่างอื่นเรื่องความเป็นไปได้กับความไม่เป็นไปได้ในข้อปฏิบัติของเรา เราสามารถจะช่างตัวไดเราเก้าวหน้าเพราะอะไรเราเนิ่นช้าเพราะอะไรเราเสียเวลาเพราะอะไรเราทึ่ทื่เพราะอะไรเราแผลพราวสว่างสวยเพราะอะไรด้วยเหตุใดไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องมาวินิจฉัยไข้ครวนมาซักมาฟอกมาฉะมาล้างมาทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญารมให้เกิดสัมปชัญญะทม ให้เกิดปัญญาธรรมและให้เกิดปัญญาญาให้เกิดวิมุตติให้เกิดวิมุตติญาณทัศน์ตามท่านไปผู้ที่ท่านถึงท่านไปกันหมดแล้วแต่ท่านไม่ได้ไปไหนละเพราะท่านดับธาตุขันไปแล้วท่านก็ อ, อยู่ในโลกนลั้นแหละท่ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าวัตถุทั้งหลายในโลกจะไม่สูญไปจากโลกธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่สูญไปจากโลก มันเผาไฟเฉลี่ยไเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟธาตุรู้ผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าโนโทาร์โมทาร์เมื่อเราชำระสิ่งที่มันเคลื่อบไฟหมดไปแล้วก็ไม่สูญไปจากโลกพพุทธเจ้ายังอยู่เคียวข่าของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พวกเราคิดพระพุทธเจ้าประทับประสงค์แทนพระองค์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธราเพระไม่ไม่หาเราไปไหนและผู้รู้ที่บริสุทธิ์จริงๆนั้นก็ไม่ไปไหน เมืออย่างจะลงตาท่านเคยเทศฟังพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะเข้าสู่มหาปฏิพานธ์ท่านจะเข้าเข้าฌานท่านีือว่าฌานสมาบัติถือว่าเป็นสมุดขณะพระกิจของท่านเข้าไปฌานที่1นึ่ฌานที่2องฌานที่3ามฌานที่สี่พระองค์รบนำดูตอนอยู่ในฌานเห็นพอหายจากฌานที่1เห็นมาปรากฏที่ฌานที่สองก็แสดงว่าขยับจากฌานฌานที่2มาฌานที่ฌานที่1มาฌานที่2เข้ามาฌานที่3เข้ามาฌานที่4แล้วก็ไม่เห็นในฌานที่ส ก็ไปเห็นที่อารมปิจารอารมณปิจารที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่เห็นในอารมณ์ปิจารก็ไปเห็นอยู่ในนิโรธสมาบัติท่านถือว่าฌานบรรดาฌานทั้งหลายนั้นเป็นสมุติคําว่าสมมติก็คือเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของจิตในระหว่างที่จิตฝึกฝนอบรมและเกิดขึ้นมีขึ้นได้เป็นฌานสมาบัติเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นวิหารเป็นวิหารธรรมคือทําเป็นเครื่องอยู่เป็นที่อยู่ของจิต ไม่ใช่ตัวจิตแท้เป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ใช่ตัวจิตแท้ท่านกระทัพอยู่ที่โน้นที่ฌานส ม, มาแล้วก็ถอยมาอีกมาเข้าอารมณ์ฌานแล้วก็มาเข้ารูปฌานถอยลงมาจานถึงปฐมฌานแล้วก็ออกมาเป็นจิตธรรมดาอางนี้เนะียอาศัยปุโริตผู้บริสุทธิ์ภาดพินพัดพินฌานาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อันนี้เป็นข้อเทียบเคียงนะ สี่งเล่าีจะช่วยเสริมทําให้เราคิดว่าข้อปฏิบัติของเราเป็นไปได้ทำให้เรามีกําลังใจในการที่เราจะตั้ง อ, อกตั้งใจทําเก็บเล็กผสมน้อยทาไปด้วยอุตสาหะด้วยวิริยะด้วยฉันทัะความพึงพอใจทําอย่างมีกําลังกิตมีกําลังใจทําอย่างหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับสิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมเราได้เหมือนกัน พอท่านจะประจิตธรรมดาเข้าไปชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่พอออกจากชั้นที่สี่อารมณ์ในฌานท่านไม่เข้าพอไม่เข้าก็เลยไม่ทราบเนี่ยพระรูปธรรมไม่ทราบไม่ทราบว่าพระกิตที่บริสุทธิ์ของท่านที่เคยพลาดผิดอยู่ไม่รู้ไม่ทราบหายไปไหนท่านเทียบเหมือนกับเปลวไฟก็มาอย่างเปลวเทียนเราเป่าลมใส่ฮึเปลวก็ดับไปดับไปไหนไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนทราบไม่ไหน จิต ท, ที่บริสุทธิ์ที่ออกจากสมมตินย่างไอออกไปแล้วเราไม่ทราบว่าวท่านอยู่ที่ไห น, นผู้ได้อย่างเดียวว่าปรินิพานดับรอบดับรอบดับดับเนีครดับรอบปริมิพานานะพอสมควรแล้ว